พักวัดตัวอรังกตัวสัมมาสัมปุตตะสัณโมตัสสักวัดตัวอรังกตสัมมาสัมปุตตะสัณโมตัสสักวัดตัวอรังกตสัมมาสัมปุตตะสั้นสุขพุนยัสสัจฉิโยสัม s คิสัมภคานังตะโพสุขติ นบโรโอกาสบัดนี้อาตมาภาพทั้งสามโรดจะได้ช่วยกันแสดงพระสัตธรรมมาเทศนาเป็นทำนองสารพัญยาคาถาโคสปามาณีการในเรื่องเอมื่อนีเตนเรื่องหนักกำานภาตา m ta me m a แต่ว่าก่อนเสด็จในเรื่องหนักกำานภาตา m ta me า, นนน า, า, นายนั้นอาตมาภาพก็เสด็จขอสมมติกันสัก่อนเบอร์ศีดวกแก่ปุทิและกะปูฟัง สิคอสมบูรณพระอาจารย์สีพมธมาธโรอยู่ธรรมาทคางทรายเมื่อสุดเมื่อนี่พระรับตําแหน่งนาทีเป็นเศรษฐีสินทร์ถูภูบาอึศภูบาอยากภูร่ําภูร่วยมื่อนี่วอกมาธรรมากลางพระสุรเชยสุรเชโยเมื่อนี่พระรับตําแหน่งนาทีสมมุติตนให้เป็นนาคหน่อยขึ้นนาคกัมพานาคที่รวัดเมื่อนี่วอกมาธรรมาทผูทกขา มีน้ำบกกรวาจาย์สีสุราคุณวิโรกสิเรศสมมุิตนเองอหารับตำแหน่งราธีย่ายสสวนีผู้เป็นมัณดาเอาบัดนีเพื่อปูเป็นการเสียเวลา ก็ขอเชิญศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจงตั้งใจสรับรบฟังภาษัทธรรมวัเทศนาเป็นธรรมองสารพันยกรถาโพสปรมานิกาในเรื่องรากำพาน้ำตาเม่ไมยสืบต่อไปนักการะ บ, บัดนี้เถิดโมหมตาน ร้อนหอนงบ่มีหายตกกะบายวิจีแม่นบ่มีย่ำเลี้วนามันดาแก้วมี นั่นเนกบอดนับคะแานถ่วนคุณแก้วพ่อแม่เคีงหนาเมนเสียวโอ้ยแผ่นฟ้าเป็นกระดาษห้องเขียนอ๋อ ปากาขีดเขียนพระคุณเจ้านางเอานาทีท่านนำ้ำสมุทรกวางไงมาเป็นมือขีดแต้มพระคุณเจ้ากระบอพอนางคุณแม่ไหลกระดอคุณพ่อกะคือกันเอานันตังสงไขนับบ่ไหวพระคุณทานหาประมาณบ่มีไดแนวด ได้บ่มีทอ่อขอให้พวกลูกเต่าปลักคว้างใอย่าลบคุณนางตั้งแต่มือเกิดพุ่นคุณแม่ดูเล่คอยทนอมโบตาอยู่โซวันเล้งสองนางคุณแม่คงคอยฟอกทานอมเอา ัลโล ตั้งแต่น้อยจนได้ขันยญ้ยมานางพูดไม่หาของปอนแต่ยังนอนอยู่ในอู่อยังโบโหเหตได้ให้ดอกแอวนุนางพูดแม่โจมหัวเคล้าเมืนตาดูงพ่อเฮพีโ อ, โ อ, โอ คุณแม่พีลัยหินคันยุงไว้บ่ให้ตอมนาะงคุณแม่หอมดมแก้มแนมดูโลกย่างอ่อนคุณแม่ยำเข้าหมอกคุณแม่จูเขา้าปอนยมฮอนกะพัดฟินาะงนอกจากนี้ ขี่เหย้ากัเที่ยวบายมินปันได้กะฟุ้มไฟเช็ดถวยดูเกลี้ยคนแม่อดสาียงบูตางจนว่าไงชวนมาได้ปากเบาทางคนเจ้ากะเล่าสอนด สอนให้หอื้นเดินสอนให้เดินสอนให้เดินสอนให้อื้นพ่อแม่สอนให้อื้นเฒ่าแก่อื้นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าแม่ยา ย, า ย, ายนาัสอนให้อื้นน้องไอ้อื้นปู่ย่าตายายให้หูจักจกับใบเวียกงานกันสางนัน สอนในทางเลียนลูกก่กาขันก่ไกหูจักหน่อยจักใงหูจักปากจักวอาพละคนเจ้ากะเล่าสอนนางเจนบ่เป็ี่นละเมีกกะปน โอ้โหนอนบ่เปลี่ยนเม่กากวมเพียนท่านอมจนใหญ่กามาแล้วกะเลาตองนาพอแมฆโซจนว่าเท้อหายกินอยู่บ่อเศร้าขอพระเจ้าดอกเป็น่ยลหัว ลูกเป็นผัวเป็นผัวพ่อแม่ยงลำได้ให้เพียงกำดอกกึงกันเดิมนะแม่กินข้าวเมื่อลาปาโอโอโอจํำเจ้ากับห้ยเกลือ เหลือจากบสถตาตุลอิ่มเต็มจังเล่มกลางหาสตางค์ให้บสถใส่หาดพชยให้โลกใจยอยากเป็นเจ้าเป็นนายเป็นตำรวจขวดมากับผ้าโูโมทานอานา อยากเคปียร์คันอยู่บ้านกผพา น, นทํานาอยากศึกษาเรียนมุนเป็นสังกวนการค้าอยากศึกษาเรียนรู้ เป็นคนุณโคเป็นแนพทย์นาพ่อแม่ตามเมียได้คันหาให้โคโซแนวน่วนาเลี้ยงหญ่แล้วผัดลืมแม่คันมานดางหนึ่งนีไปมีพันลจยาผัดเราลืมสองเท่าเอาเมียแล้วผัดลืมโค ป้ปเอาพัวแล้วกะจอยลืมเท่าพอเอาหางน่ะย่ำพื้นทุกพุน้ า, น า, นาจังเฝ้าเล่นขันมาคอให้ทอดได้กะพอพอมขันเล่นมานค อ, อเลืออนน่ะมีเงินทองเม่ปันให้ขอ แม่ป่อนใส่ลูกผู้น้อยผู้ใหญ่เที่ยวมาทายู่บ่อันขอเบิดแล้วผัดแล้วนังผู้ยุกไก่กะบุญผู้ยุกไก่กะบุญมาขอเอวแต่แนวเดียวบอมีไผสีมาเดียวแม่ผู้เดียวผัดลืมจอยคอยแต่ท่า ขอเอามุนแต่น้ำเมลูกคำเอ้ยแม่พิ่นเถ่าเพิ่นแก่แม่ผู้เดียวโอ้ยเลี้ยงบ่อดงพันไทยเลี้ยงนาง โหดพอแทนมันค่าแค่นหรีอยู่ว่า นี่ท่านเกน่าโบราณการเดินยุมเดือป็นนี่ท่านชาวนามสากันมาดังก้องนะบ้านกระเดาตาดท้องพุ่นยาโสทอนในยินบ่ลูกชายข่าเลี่ยงเสียงค้นเมาดอกสาไปนะเดี๋ยวนี้เพื่นหากเทศถาดไว้เป็นที่ใ่อนุสรนะทั้ง จังหวัดจะโูทอนแต่ก่อนมานั้นเลีน้นายังมีไอำ้ำพาอยู่กับแม่ขันมานดาถึงฤดูทำหน้าก ะ, ะเราไปตกกาฝนตกมาอเอาควายตัไปไถนากะวานลูกชายออกจากบ้านแต่ย้ำเศร้าดอกก่อนงาน่ายนามันเป็นคนโหดลลยเขียดงาน ไอดอกหายเร็วเอาคว า, ายไปไถนาะจนว่าสวยหิวเขอนัง คอยอเจ้ามาด่าสิไปซงอยู่ในท่งกว่างกว่งคอยได้กับบ่เห็นนาจนว่าตาวินขึ้นสวยเพราเพ้นแดดแก่จังเห็นเม่ได้ยังเฝ้าข้าวนั้นดอกย่างมาหนังเม่กับ่ได้สากะเฝ้ายางไหวว่าแต่ว่าน้ามันไกลกัายางมาจนหิวลาหา มาถึงแล้วมานไ ก็ห้องใส่หีบมาไว้หนูลูกแก้วแม่มาเล้วให้ด้วนมานังลูกกับ่อได้สร้างกับเฝ้าอย่างทันทีเพราะมันมีกัท่าขันเขียดฝุ่นสุนหายหนัมันหิวลายจนถึงคั้นลวบ่เมึงมึงมันมันหันด่านั้นกาบวอย กองเขากะกองหน่อยหน่อยเนวกินกะหน่อยน่อยทั้งปล่อยได้ไหอ ลูกชายเฮ็ดหน้าบึ้งขึงเข้าใส่เล่นไปห่างส่วนว่าทางมันดาคา่ากินซาเดลาอิ่มอยู่น้าเมกะบาอยู่ในใจเมกะ่ามากินสาลูกหลาหิบมาฟาโอยาวไปนห ขันบอยเอมแมสิหาร้องมาให้ยอยู่ในเหอนยังมีอย<น>ู่ลูกกะโคด้าปล่อยเครียดว่าก้องเข่า น, น้อยเลยน้อยเข่าส่เอ็กไทยนั่ปวดแตกน้อยเลวกาไดโอ้โอ้โโึงเขาาส่เล่นไปหหางเน ส่วนว่าทางมันดากาว่ากินซาเดลานางอิ่มอยู่นะแม่กเว่าอยู่ไหนใจแม่ขกาว่ามากินสาลูกหลานหิบมาฝ่าวายเอาไปนนางขันบ่อยอิ่มแม่เสียหาดอกมาให้อยู่ไหนยันยังมีอยู่ลูกกะคูดาปล่อยเครียดว่ากกองเข่าหน้อยเลยลอยเข่าเสกไทย โรงดแยกน้อยแล้วกาได้โอ้โอ้ขึงเข้าใส่ผมฮันดงนาโดยบอมฟังคำจาดอกเมวนหัพอเฝ้าม Cất <tries> ti hoa thò lốm l t a tai s คักบ่ลำบัดนี้อีพี่บายหาตำเลกํำนี้เว้นเขียนนำท่า มันจึงเอาก้องเขาน้อยเปิดออกรอกมากกินเนืะนั่งอยู่เถิงหัวไปตี้เมตุนคันตายเลี้ยวเรียเห็นมานดาแกว้วหัวใจเอ กาใบวัวนหัวใจเกิดสะบันขึ้นเขากะบ่ลรุงดังเพราะว่ากลัวาบาปไบเสียมากเกิดกับตนเอ๋กลัวเต็นป่าปังขันบาปเป็นน้ำสเสนดจึงลูกไบวอนไายขอขามาอิน พอคำฮานุตกลเมลูกหากเพียพาแทะมานดาเจ้าจงอภัยนายายลูกนี่ได้เป็นบาปาปังเอ๋ยย่อละพอความโกธสังใจบ่มีใด บาดนี้ขออน้ำไวขออภัยให้ลูกเน่ยเมื่อเอ้ยเ้เมื่อเขนมาหาลูกหน่อยอย่าตายทอนเด เสละเจ้านี่ท่านเก่าเข่าบันยัยข้าแม่ตายเพราะความหิวมืดมัวเมาบ้าข้าแม่ตายเพราะหิวเข่าเอาควานมาแล้ยวตีต้อยเครดว่ากังเข่าน้อยว่าแนีวกินน้อยน้อย้อยใสเม่แล้วผัดปล่อยควานใสหัวโอ้โอ้ยเมลอดอย tài mỏ h n ê bò nhang l ú tài mỏ o m n b ก้อนกัญยมธานสุขสำรากกันหรือบอ่หลายหลายวัดจังไหนมาพบพ่อเออหลายหลายวัดจังไหนมาพบพ่อเห็นหน้าแต่ละข้าวพวกลูกหลานคิดหนอดคุณโยมบันเสียกอยู่เจ้าจ้าข้าวได้พบ ก, กันมานับเวลาอยากมาเจอพวกคุณโยมบ่มีแล้วแน่คนเฮาเคยลึงแนวคนเฮาเคยจ่าแนวคนเฮาเคยปักเคยได้พูดได้บอกกัญยมเจ้ามูกัญยมเป็นจังไหนลับปีนี่ของไฮเครชองไฮและของสวนคงสิสมค้นนอ เมตบักเขือและมั่นเข่าทุกๆคนคงเต็มเหล่าเต็มช้างแดงอันกันน้อมถ้าเงินท่องมูนันคงมีหล่นลื่นคนพวกพ่อตาและแม่สนมิตรภูกรบโกมาฟั่งเพลิดพังธรรมแจคติขั้มสอนบอลซีดในวันนี้โยมฟั่งดีเสนโหกการแท่นคุนเป็นเรื่องไงขัดมันมีกระพาใคร่หักมันจนลืนบานสัทธาทานเหตจังใดข้าอุปชาพระท่านใดข้าผัดไตคิดยากนี้ ข้ากองบวชพระท่านมีพระละวันอยากยุงลุงป่าให้นางคอยนับทอยหลันฉันสิเบาฟังสำเนาฉันสิว้าเรื่องหัวอกหนักกัม้านนำตาเม่หมายหรือมูเจ้าฉันสิเบาเราประเดิมเสริมบทก่อนพ่อยหูโยมหูคาเบานักทุ่งท้องเสียงถ้ำคิดว่าขาดกลวนแต่ส่งคุณคาเปิดตำล่าไคทางบ้างคำก่อนเรียบเรียงไม่จานต้องเพลิดเพลิงชีให้เห็นมองปองแสดงสมองค์ได้บอกเจีงตามตำแหน่งหูจักดี มาบัดนี้กล่าวถึงลุงที่ระบาดคนดีได้พำเพียรมั่นดาแก้วปีนี้อายุเข่าได้เศ้าปีพราเข่าบวชแสนเจ็บปวดอุกอังเอาแล้วสิเบาต่อเมคิงทั้งผู้เมกยันหนิงให้หาสิ่งเตรียมของลองมาฟั่งข้ามจ่าวาวใช้กำลังกลุ่มซุ่มคณะเช่าเสือมาฟั่งก่อนพวกพ่อหลานสิเบาว่าให้ถึกใจศรัทธาจานสุรชัยเสียงท้องผูกโกมาโหเลตตอนนี้ท่านมึงดูนิวอนขอย อ น, นุสันติกระแสพระสธรรมเทศ น, นานวโรกาฏปณิตามาภาพผูพ้ได้รับแล้วซึ่งยาจะนะกรรมคำสมมติจากเจ้าสังฆะชิระบุตรโพธิโนรสซึ่งมีนามปรากฏตามโลกิยะของท่านว่าท่านพระอาจารย์ศรีสุดาคุณวีโรท่านได้มาสมมติต่อข้อตามาภาพนี้ให้รับตำแหน่งหน้าที่ของหนุ่มธีรวัตรและจะได้ดำเนินหน้าที่สืบต่อไปดังมีใจความว่า หนุ่มธีรวัตรผู้กัมพาพ่อมาตายแต่ยาวัวอาศัยเพียงบารดาที่ชื่อว่าเมศสวนณีทำหน้าที่ดูแลรักษาจนอายุย่างผ่ามา20ปีบริบูรณ์พอดีขณะนี้พวกชายหนุ่มที่อยู่คุ้มหมู่บ้านเดียวกันคือหมู่บ้านสี่แยกแขวงเมืองอากาศอํานวยต่างเข้าพากันหนีจากบ้านไปเข้านาเพื่อฝังฝากซึ่งกายใจเอาไว้กับผู้พุทธศาสนาแห่งองค์สมเ ด, ดระสมมาสมบูเจ้า ทีรวัตรจึงพูดรบเรากับแม่สวนีผู้เป็นมารดาว่าแม่เอ้ยเพื่อนว่าของดิบนั่นเป็นผ้าหานั่งเชียโลกหากเทศสุกก่อนแล้วกินนั่นจังปลอดภัยอุปมาไม่ของดิบนั่นก็คือคนบดชบวชส่วนของสุกปลอดโรคลายคือคนทีเด้บวดเรียนมูหุนเดียวกันกับผมนั่นนะแม่เอ้ยเขาภากันไปเขาหนาักเบแลเดแม่ ปนได้เจ้าเสียลูกนี่ไปเขาหนากน้ำเขาเน่แม่เอ้ยขั้นว่าให้เป็นขี้คามาใส่ของเศษธีอยู่นี่ลูกบ่มีทั่งสิริบวชเดี้ยนแทนบุญแทนคุ้นเจ้าได้แม่สามอาตาป่านะฝ่ายว่าหญิงมาผู้เป็นมารดาเมื่อได้ฟังลูกชายกล่าวเช่นนั้นเกิดอัดอั้มตันใจแต่ใครก็ขาดแคนหนักแม้นผู้เป็นสามียังไม่ตาย ก็คงจะสบายไม่อาจทนแต่อย่างใดเลยจึงได้เอื้อนเอ่ยกับลูกชายของตนว่าที่ระัาดเอ่ยดีบือใดเป็นน้ำตาตองทอนกำเป็นน้ำเต่าไฟจีกับเอ่ยการบวชเรียนนัดแสนดีแม่บอคานแม่บอคานจนใจพังหากบ่มีลูกเอ่ยแม่ยังอยากเก็บใช้ผาเหลืองลูกอยู่แล้วเหตุจังไดเฮ้ามันถูกมันยากลูกลาสิหาผาใส่มาบวชละครคุณแม่เอ่ยม่วนมูลหยาิพี่น้องกำพอบ่มีฤๅ ถือบอ่อสั่นกระซุ่มแซงเผา พ, พงทั้งเจา้าขั้นแม่ไปปรึกษาเบาค้งมีทั้งเดียวผมว่าหาพี่น้องเพิ่นซอยใดย่างสิ่ใดเม่นผ่าไตได้แม่ไปถามเบิงยาติพี่น้องทั้งเจ้าเนยทั้งอีพอเนยกระคือสี่ใดอยู่ที่อยวานั่นน่ะเมร์มันสีทุกสี่ยากปันนั่นทีเมร์ตอน เ, เนี้ยเนี่ย ฟังบทสอนสำนุนกอนสืบทอดขอเรียนเชิญรูกฐานมาฟังตาลอันทาเล่นเ่ขอให้ฟังไปรยากสิเจงพนิเดลประจางปรอดตึกต้องให้มัน จังสีหวนรอกกินแจงการแสดงประท้อมนั้นบอกคือกันกับลิ้วสียให้มวลครึกคืออื่นบ่มีใดแต่อย่างอื่นมวนหมวนนั้นใส่เธอเป็นเรื่องงั้น มาดาน้อนอยเธอว่าฟังน้ำมาพักดีดอกเวว มาท่าบ่ถึกใจบ่เสนอครึกขึนเอาไว้ฉันไม่สะกอนแนวว่าเทศบ่ได้ป้อนมันสิโกอบอ่นจังได้แนวนั่งคือพ้าไห้ปากผ่านวาคำก่อนในยอมมือ หกคากะว่าพอเราใก้มาเพียงแต่จะคําอ้างบัญญัติทำไปตามเรื่องขานนุ่มอยากให้มวลขานยุ่มอยากให้มวลให้ยุ่มเป็ี่ยนปูป้อนหาเอาแบ่งเขาใส่ขังเขาใส่ขัง Niê ú tha quá kia lai ca sĩ mò chốn xa nuông, sĩ mò nào ความถูกมุกยุมไม่ห้หัวละดวงเริดใจของเจ้สา ส, สิ่งห้เงารูปเศ้าคำซื่อปากาศฟังรำหน้วมเคยในพบพ่อกันมาแล้วทุูกประกาศ ให้มวลนุรุข่านก็เป็นเรื่องศูนทรีใส่กุอยู่มือเงยด้วยว่าใจของกุณมันต่างพันรอกกันรอยผัวหลังกุก็สิมักเสียงน้อยผัวหลังกุณมักเสียงใหญ่ผู้หลังกุณรมักเทศไวไว้ผู้มังคนมักเทศซา กลายเท่แต่สิตีดอกแม้เอ้ยเนี่ย ขันเม็นเถิดคอยคอยจังสี่ยมกะตีวาดอกเพ่งเสียงจากสีเพ่งไปตายยังบ่มวลไรกะใจแมงขันม่นเถิแหนแหงโยมกะตีบ่าห่างลมขันหูกะสีแตกเงกยไปใส่ถือเตซอง มูเจ้าบ่มีมองพองสิไปขานเมนเดชไวไวกุญมกับติว่าพ่าไปตายอย่างเจ้ากระจุมพันสิเทศสาซาวุ่นอยู่กับติว่านย์พออยากเกินมาเลลู อุย้ยสมประสงใจคอยยังมีโคจากรอยหนึ่งแบ่งให้คนละเสียงแม่งให้คนละเรื่องกะตามเทเทสิฟังอานนี้จังคนเอานี้โคนั่งกะจังว่าเทบางมือก็เขา้าทาแต่บางวานนัวเกศเสนสิเล กาบอไหไปหาวัน มาเข้าเสือสมโนเข้าเนื้อเรื่อหนังจึงเผยคำมาเดียงเผยสำนิ่งงอควาขันจะาตานแกลูกตุนหลวงแม่เอ้ยประเป็น บวดนั่นละบ่เคยลวดคังลุงทหอวพ่อแม่คอยยินดีน้ำลูกบวดเรียนรอกเพียนก่าชาวป่าชาปูบันมีเงินแบ่งของเพงเพงได้จับใจสีเบิดหน่อยหรือเบิดลายเพิ่นกระบอเดือดร้อนประสงค์ได้ม่นส่วนบุญ โอ้ยแต่ผู้เกิด่าบุญคือพวกโมบ่พอเกิียนเน ขาดทั้งสิลทั้งทราบสิใจลุงประสงค์เสื่อบางคนถือเป็นบนทานสุ่มวงวันเจ้าบาลซอยนาลูตูนพูทธิมอบลูกหน่อยเจ้าของผ้าเพื่อนบวชอาวมเนื้คามซื้อได้เอ้ยว่าเห็นข้าใช้ป่าเลืองเนื้องจากวามบบจน บ่ออยากทาพ่อนี้พ่อยากเป็นดอกพอดีเนี่สาอันนี้น่าต้นคอยนี่ยพ่อพวตายอือบ่แปลกตางะ จะเดินตามน้ำมากการบุตเจ้ารดแสนเศร้าเงากระจายเนียโอนกแก้วโลกลาผู้ฟ้าแต่งอิฐแหนงแผงแม้ย่างแยงเพศสศร้องดีกองงามเอาเหลือรอดมาโนมคิงนอต้นเจ้าคงสีงามทั้งงา ลูกเกียวของแม่มาอุบนำขันตั้งแต่วามทุกจนคนแข็แสนกลุ่มอยู่บาาอนเงี้คิดดึงดึงนี่เทโนเปิลบา่าเ้ยนี่เโน ว่าสิ้นมาะสมเราอยากให้พันกินเมาน้ำเหนาวกว่าลูกกอลคิดเบิ่อคิดเบื่อสิเอายังไปใจซื่อจีวันพาดอกแผ่นเพื่อนเนี่เออพัน กันเลนากจุนเบินเขามีพอดื่ป่าตรายมีตาไหลทางกองเาาโมผินดอกแ้มพอมทางมวนจุนกามานามโมทนา cho nên a n bà cháu đo kĩ nhàng té và cháu năn y nhàng k h o á t a y phải t ặ n g t ế n g à i phụ ai vào m ẹ m mẽ tuôn im n è ư mềm d ị thôn m ẹ ệ đưa anh ดันเดือนเมื่อสิมาทำแม่เห็งจนปัญญาน้ำแต่พาเรื่องโลกลาสิหาได้บ่นจังได้เหตดขึ้นมาแม่อยากให้เหตดขึ้นมาแม่อยากให้มันมวัวเมือ่อทำไรตยตได เม้เราเกิดมาทุกข์มาจนมันก็เป็นเจ้าซีแล้วเมีโอ้ยคิดอกินมาแม่อยากให้มันมัว ม, มืดขลังไรตาคิดต่อมวนวุ้งสาญาญา จังสองกำเนี่คือจังคำน้ำมากเกยเต๋อพอเจ้าตายไปตาขวาสายกับ่อํามมีละเมรูก่อนคำยาติกาหัวพองหงวัดเสือพันบอส่นเพื่อพรกกันหคันลีกกู tè me khăn mắt đã nhớ tiếc cả tieng này năm lâu cả ăn vong ăn xưa lửa c h á ใจคอยพวงเอาใยญาติบ่ลำเนี่ยบ่เอ้ปากบ่คำว่าพบเหล่าสันติเมียนี่เอะบ่ลุกใจเมีนี่เอะว่าล บวญให้บุตาเตพะลาเม่บพรมบุญน้อยเหตบลา ตาไม่หมายบอมีผู้สิมองเห็นก็จํำเปรตเราดื้อค้ำเทียน้ำจ้ำในนาอยาคินเดียยาคินเดีย Yakir de, yakir no sanfa. The phalwa muang swan, te cham c h a า t o ก na l น k Nhon b i k u o n k y ลัวเมื่อที่เขาใจอยู่ตีนว่ารูป n h ạ ก hay อยาไปบ่ให้เ้านนั่นล่ะนาลัวกา ก็จนใจแล้วผู้เป็นแมมั่นดามีและแม่วงสาญาติกาสุ่งเสืีอแต่มันเหลือก็ใจหายตั้งแต่วันพ่อเจ้าตายไปญาติพี่น้องกระบอลริงลำตัวคำาอือเอ้ามันค้นมีกรมเมียจึงใดบอใดยะไปว่ามเพันยันด์ตลูกหลามเมียอยากอายพันคำเน ta kho l ạ i núi trôn ên lon ngọc nít n Ú ô i ôi xuôi thẹn n ú c h ư biết đời về thẹn n ú chưa biết đời thẹn đây păn đ ọ c tang păn em nàng เ อ, ออเอ อ, อมือกะเพียงนนซสำนันเดือนกาควาว่าเป็นเดือนดางปีกะเพียงว่าเป็นปีผ่านไปตามกะยืมประโยชน์ยังบอมอ่นนมียอดดางเมื่อคำวอาเป็นไฟวอาคำบวชทนเธอเลียงการคือสารฟ้อง เป็นโทษไโอ้บนวัตใจที่ละวัดลูกกาผามันดาไม่อังกรเลนอยากเป็นเท อยากเป็นแก้วดอกคาลามแต่ขาดแสงสีในที่สุดก็เจอเหินอีกขวดสายที่อืดขาออดาง<า>เห็นม้านดานังมองสาวเรื่องนี้เกิดจากเขาผูล้ลกเต้าเฮ็ดไทยปวด แก้วอีเมจึงเสียขวัญเดชยศพ อ, อสามารถช่วยให้เขานันได้บวชทรงเางเห็นไหลเลือนขันเลือนฟูอสูนินถูมานดางเดโอุ้มมานของบุตรลาคุ ออออนเาย่าโศกอย่าเศร้าเลยลูกลาเอ้ยเมีบ่มีปัญญาสิบวันใ้ดอกลูกลาขันเสียเศร้าคือขี้ลายบ่ยอมส่วนยอมพายคือเฮานี่ใช้ขี้ยวยนักบ่อยากโอภัดได้โอ้ยบ่อยากย้อนผัดได้ย้อนแค่ลายยาวบอกแค่เป้าขึ้นแล้วศรัทธาจ สีดาเปยนัโทษทอดเด้อขันแม่เอ้ยกะเพยนอกะคือไม่ไงกะตามไม่กะเพยค้องกะตามซุ้มเขาดอกหมูดสมขันไม่นอห้ยนะลูกนี่คอยวันนี้เกินว่านานเต็มที่อีกโดนยิงจากเต็ม Yeah. อยากบวชเลียนเทีนคุณแม่อุทิศให้พ่อเจ้าผู้ล้วมวยดอกไว้คันนึ่งนังคันบ่บวชวาสันคือจังโตขีลายใช้ปุ่นแหย่อยากสุดสอยากมุดดินนหายไปผู้ว่าทิ้งแมว ขอแก่มันขันดาแก้วปวดเชนใจลูกชาย พ, อยพ่อผู้ก่อยตั้งขันเมาตโอ่อ ญาติพี่น้องทั้งพอหรือว่าทางแม่นันเพื่นสังนาหูว่าสังนางข้าวข้งนี้เพื่อนอัดใจดีบ้างเมื่อหูข้าวข้าวกุศลเดชหลานชายตันผู้พอตายสี่บวชสรงสินซอยนางโบซ อ, อยหลายคงซอยน้อยโมธนาน้ำลาลาผู้ก่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 ให้ซิบข่าวเสือลายถือขาตายเป็นผีบอดีใจทอข่าวบุญไัยได้ยินร้เรื่องลาล่องไปจา่าล่องไปเบากับวงวานสองกําเบงฮาเธอบุญลูกถึงกองพลาซอยเกลือม้วนวงเสืออัดซอยผมโตเมล่องไปเบาให้เพลินฟัง่งเบิร์ก่อนเป็นอย่างเมเย์เพลินสีซอยบ่อซอยก็ไดไปเบาเพลินฟังสะ ก, ก่อนเป็นอย่างเมย ลูกหล่าเอ้ยถูกพันบวาดีมีพันจังหวะผีนองลุ่งป่าจังหวะหลานที่รวัาดเอ้ยที่ลูกบอกแม่เธอนีสัมบอกไก่ให้มีนมสัมสบอกขมให้เป็นหวานสัมบอกฟ้านให้เป็นมาสัมบอกปลาให้เป็นแคซัมบอกปลาแค่ให้ไก่เป็นผักใสแม่เห็นน้ำบวารีจะไอจุ่มโมเข้าลูกหล่าจะเอาทอลูกหล่าเอ้ยบวมีอิลีแม่จนปัญญาตัวคำ ปรึกษากันพ่วมทั้งหายโตลูกชายทำทรงเหลืนบืนไปนายูทีรีแมนี่เบาจนอ่อนใจบ่อพอข้าวเห็นเศรษฐีบานไก่เจ้าหน้าใหญ่ลูกชายบ่าทรงกดท่าโมโหเรื่องยีหยังบ่เห็นโหเบาบึงดูเศรษฐีทานอยาทรงทำร่ำค้านกินย่ยมฐานพันสีเบือทั้งเวลากะเ บ, บาเหลืออดมาสไสกาบสอยพญ h หน่อยเบิงกันเดอ อาจารย์สีพมพรอบรูนิท่านเรืองปดไขจาพระล้าิโยมฟังอีว่าไปดิบไข่ตานนิมนต์ข้น้อยอนุสนธิเกษตรพระสัตธรรมมติศนานโรกาศบัดนี้อตมาภาพได้รับแล้วซึ่งคําสมุดสมัญญาชั้นทานุมัติจากพระเดชพระคุณสุนทรเมธีซึ่งนั่งอยู่ด้านขวามือสุดของอตมานี้ซึ่งมีนามตามโลกียะของทันว่าอาจารย์สีสุดาคุณวีโรท่านมอบหมายตมารับหน้าที่ เศรษฐีสินทุบันนิตมาภาพจะได้ดำเนินตามบุพาพประโยคค้องตนสืบต่อไปใจความว่ากล่าวถึงนายจ้างที่ชื่อว่าเศรษฐีสินทุแห่งบัวบ้านถูนคามเมื่อถึงยามธิรวัตรคือปล่อยวัวไปเลี้ยงตามท้องทุ่งรีบพุ่งมาสู่บ้านเมษสวนีแล้วเอ่ยพาทีถามด้วยความโกรธว่าอ้าวมสสาวดีเอ้าเจ้าไปจังใดมากจังไดพอเศรษฐีคือมากพ่วมแดดพวงหอนแท้ นี่และเนาะโบราณเพ่น่าจ้อนจกพาบกลามไปตีนช่วยซ้ำสะเหยียบขีดินจำกลลูกใส่เจ้ามันไปใายบ่ขี่ข่านตายห้ามันแทสมพวนมันบ่ห่างบ่มีน้ำบาดน้ำเมื่อเขาดุที่ระบาดมันไปใส่คือบ่เปดปล่อยงัวนยังไงคอยเดี๋นี้เหรอยุงเงินนี่ละพอเศรษฐีเส้นคืนมาถึงเงอนนั่งกินน้เย็นบ่ต้องบ่เขอเส้นขอกรบอกึ้นดอกคอยเอาเงินจ้างเด้อเขาบ่เอาขีจ้างเด้อเขเอาขีง่วจ้างเลยเอาเงินจ้างตัวพอเศรษฐีสินทย ตัวของผมพวมมีเรื่องพวมมีเรื่องปรึกษากันแต่บอท่านเข้าใจกับแม่ม่านดาแก้วแต่เรื่องเล่าบอท่านแล้วปรึกษากันบอท่านทัว้วคงบอไดไปดอกเรียงง้อพอเศรษฐีจําเจ้าเข้าใจบางเทอเฮจา่าพอเศรษฐีครับ นะครับมาแคบอันนี้โมเดลน้ำดอกผมกําลังมีธุระกับแม่อยู่ตัวยังบ่ท่านได้แล้วคงบ่ได้ไปดอกเรียงง้วให้เจ้ามือนีพอเศสถีไปหาขนใหม่สาบันซ ja ีแยกเห็นบอกอึดแต่คนผูเรียงง้วตัวไปหาเบิงผูวใหม่เบิงกันนาบ่ไรบ่ไรมีเรื่องยังก็ตามถอนไปเรียงง้วสะกอนร้อนว่าคำหมึดแล้วจะมาเบาเรืองเหล้าง้วเป็นพันๆโตละค้าโตละเป็นแสนแสนผู้น้เออสะมาเศร้าเรียงกับท่านหามันบ่ไรอตัวไปปล่อยงัวเดียวนี่พอเศรษถีเอ้ย หมดเ ง, งิางานท า, าที่ละวัดสีเศร้าเลี้ยงหัวดอกพอเศรษฐีแต่ว่าลูกที่ละวัดนี่พนจะบวดสืบสังเเเแนคุ้นข่าค่านำนมแต่มันตมทั้งข่อยโบมีเงินพ่อหน่อยสีซื่อผ่าเหลืองให้ลูกหน่อยสีซื่อผ่าเลืองให้ลูกหน่อ ย, ออออยบอพ่อได้เห็นบอพอ่อมีแล้วพอเศรษฐีเป็นเ <พา S 1> จ้าภาพไห่ได้พ่อเอ้ยเอาสิไม่ห้าวเป็นเจ้าภาพเม้าภาพไมหยาบเจ้าภาพบวชนิดตัวเบ ในเฮือนในซ่านมีผู้บวชให้แล้ะบ่ลูกเต่าเล่าหลานมีผู้บวชให้ละตีเป็นเจ้าภาพให้ลูกเนีเป็นย่างพอเศรษฐีเมนละพอเศรษฐีเผมนี้กระเฮ็ดงานกับเจ้ากระตั้งร้ายฝ่าลาปีแล้วกระจีบพ่อเป็นเจ้าภาพให้จักน้อยเนี่ยบ่พอเศรษฐีเดีวเนี่ เออตอนนี้ฟังบทกองบอนเสรทีตัวกงสิจิบนำเหล่าเถ้อคํามาเสียนเยียบเสียงนั่นก็คือผู้แน่เหนือเต็มกุศูเหนวอันภาสานุกอแกวหากบ่ยังฟัง บ่มีอ ja ังหักจะคำที่นกมันจกวานาเยยนสำเนานางยิงใหม่ทางลูกชายของนางมาจะอ้างว่าต่อเข่าสิ่งทุเฮ็ดนาก็จนนาบิดแล้วแอวจะมาเอาถกเรื่องบุญนามหัวนิห็นตั้งแต่พอเจ็ดชั่วโคตรตาคุณเฮา หาไปเอาตนไปปวดเรียนบ่มีจ่อยนอได้แต่จอยใจสางเออได้แต่ก่อยใจสางทำงั้นเพียนเจ็บเมียนเฮเหตุไดมังมีบ่เป็นบุญซอยคำยังซ้ำทอมิดงเออเออจะมาล้วงเหี้าวบาปเป็นเจ้าภาพเสียเงินทอง คองเท้าซาสิบ้านุุนทอดอเมสเซอ้์ยานาขนบ่เคยลำเตยสิลำปินทำน้องจัง่าเตยจังได้ดรอ ไข่บะงวยไผขอไผเฮ็ดหยัางเศ็ดด้วยคือสุกบ้โกปลาฮะไห้เหลียวเบึงโลดต่อฟ้าว่าสูงต่ำสักเพียงใดไปรีบไปบอกลูกชายไปปล่อยงัวเดียวเนี่ยนะซาดบะตัวบะมังมีหยาไม่สร้างเขียจ้าเสียวเยื่องยางโลปรัรงตัวขี้หายแสนเสียกะซ้ำ เห็นพุ่นวิ่งกะอยากวิ่งเบังในบ่อคาเจ้าของนะซื่อว่าคนจงห่องมีอย่างเดียวคืออวดดีแม่นเอเลโบราณมาวยะเฮานั่นเป็นคนจวนยาสิไปมากนาสัญชาติกายวัดของ อยากบดลูกเจ้าของให้ผู้อื่นรง้เตือดร้อนอยากบาปฟาดบาพาลนั่นดอกนามสาท้าเจ้าของ เศร้าเศาเศ้านงนี้ขั้นหกลูกเจ้าไปเรียนบวชเรียนเนีเป็นจัวไปเรียงง้วดไอ้ขือเดือมคอนซนิมีช่างช่วยนี่มันสวยเพราะแห้งเ็วซีเจวไปว่าต่อให้ลูกชายกัมภาพอไปเรียงง้วขคอยเดี๋ยวนี่ยาสุนนยาว่าลำรีลำไร่มู่เจ้าเป็นนีคอยด้ผัวเจ้ายืมก็ตั้งสามหมื่นกระสาบพูดเยอะแม่เอ้ยเพิ่นขอาวจังสันนอแม่ขั้นไข่หน้าหน่อยจำน่องอยู่กับเศรษฐี ขายเพิ่นซะเป็นยังแม่พ่อได้มีทุนห้อนบวดเรียนในท้ายในข้าวหนีตัวแม่บอได้บ่เอาข้าอยากขายนั่นไม่หยังบวชแม่กบวาดอกบุลาอันว่าเสียขายหน้าน่อยที่จำน่องอยู่กับเจ้าหน่อยให้สะดอกพ่อเสียทีต่ยังมาคัาสิยขายนันขายหน้าหน่อยเงินยืมมาสามพันกรสาบใหนพระสดใสเสียก่อนค่อยบ่คิดดอกละเศ้าเด่๋ยวพ่อแห้งเดีวตัวเทไรแล้วสามพันกระสามสามหมื่นกระสา อันแต่ก่อนเนี่สพันหนึ่งบานนี้เป็นสาม0มื่นแล้วติดเราเนี่ยเอาจากแล้วเติมเลขศูนยไซเนาะเอาดอกสันคือขึ้นไปเถอเนาะไปเฮ็ดเรียกให้เจ้าคู่มือคู่เว้นอยู่มันกะบรถติดเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นติดเราเนี่ยรถติดนะขก้เข่าขี้น้อขคอยคอยขเอาได้อันพอเศรษฐีอันน้าคอยน่ะทากไปบ้านเม่นน่อยมีอยู่สองไร่คอยสีเอาให้เจ้าักวาแต่เจ้าน่ะวลูกชายให้ย่อยสะพ่อเศรษฐี โอ้ยบ่จะได้ดอกหน้าโนดขี่กตายเนาะดำก็ม่ตะขี่หินแฮบ่เดวเาพื้นเลเออนาคนมันจานองจนาใครบอื่นได้ยากภาษาหน้าหน่อยขีกตายอ้เขาบ่ากเอาดอกคอยปล่อยง่ยคอยไปเรียงเดียวนี้เมื่อท่านเศรีพูดเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านของตนก็มีหน้าการะังนานมานไ พอเสียธีคือบอกจังสีน่นาะเมีคื อ, อยางไปไวใบบใวัยันหลังกลับเทเมยเอ้ล่ะลูกล่ะเอ้ยนั่นแหะนี่ยะนะคนทคนางค น, นมีมัณฑ น, นีทีเหนียวจังสีน่นาะจังหางจังมีน้าบานน้าเมือง Mandaay namatalay nong nong po yakmo. ความก้าวพลดขีลายดวงไม่ใครยิ่งกว่าเขาดวงสานิ สิดบวชน้าเขาอยู่ติเมอดวงโลกมันคือมากินแต่สินสตาโลกคือมาหน่อยแต่เมืเอเม่อละลูกลาสิเดบวชเลียนนําเขายุดตีเจ้าหน้าให้เขาเขากะบบเอาเขาวย่ามปนนใดรดน้าใส่สามมือก็บได้พอดพ่ไหลูกลาเน่เดะม่อเอ้ยหน้านนขี่กตายมันก็ขายบได้สกับได้ผู้ใดกะบอยากได้ดำเม่นอจาล้วง Oh, many mong boyen than ti s o เ le ton chau mi te ngau mi te sau mi te n g a า mi te sau ban bei tau. าเจ้าบอมีสิ่งเดียวังวาดไว้บอสมม่งดอกเจอจางที่ละวัดเอ อ, เ, ออ เ, ออเออที่ละวัดเ อ, อ บุณอดีตต่างแต่ปางควรบ่นำเแ่งกรรมจึงแดงเว้นจังทันจึงให้กรับกันดอกตันเตียงย้ำจนมาคือคนเพ่งบาดเกนมาควบ่เลน้ยย้ำเย อยากลายเมสิภาพไปอยู an, inside, ่หะเทียงไ้เทียงหน้าคืออีย่องมันพลหลาลูกลาอย่ามาอยู่น้าบานนําเมืองทนทนปลูกทั่วได้เมะบํพ็สิไดละติเมะพ่อจะได้กินเป็นมือมือล่าลูกลาทั่วยังก็แมะจะปลูกกันเมะเมะกับปลูกทัวอินท่านน่ะนะยังบ่ไดป็นหอดดอกปลูกทัวไปเลยนะบ่ได้ติเมะผลเด็กําไรอยู่ตีเมะว่าฝนตกน้ำน้ำจะจีหากมัซสิบอเนาติเมะเยสุว่าลายวาทสนาของคนมันบลโทกันลูกลา ลูกเมื่อวา ส, สนาตกตามหาโพสหาโพคัมจากคนบางคาบเจอพอผ่านยามนอนเกะบอมีโพสีคกอยปวกทว่าแครน้องบ่มีโัวท่ทว่าน้ qua kẹt h ô n kìm k ไหผัวก็ได้จะมินบยู่น้ากันนอโบยู่เบิ่งผูกเบิงยาอีบอก็หูจักว่าสิตายก็คือบ่หายใจเยาๆไว้นเมยจังวานี่แล้วมันกระบสือลอตเตอรี่ให้กูก็ค่าเนมจะตายก็ได้มาขับขึ้นมาไตจะคือบกนะบกหาเ่เมใ์ไก่ลวตัวเมเอ้ยเพิ่นบ่มาเขาฝันติเมไกวันที่16แล้วตัวจากแล้วเพิ่นก็บ่าสปคือเพิ่นาน่สิเมบบ่ปติเมโอเสีย็หยางด๊ย่างคือ เตืตอเตือเตอผู้สวยบาดสวยเลวหลดส้ำ ม, มาที่ละวเตือ โลกหลางแม่ว่าก่อนดื้อเขาแม่อยากถาแม่อยากเหตุแม่อยากผู้แม่อยากเปล่งเต้งก้าามดอกไชเกอแต่มาแนวสิพาสูรเรือพาโดปาดาลพา ได้กระได้เมอให้ลูกได้บวชใด้ข้าวกลางนีเม้นสิเป็นนียืมสินเขาก็ต้องได้บวชเมลูกจกบวชร้ายหลายไดเม้นี่นไปบวชบัดป่า น, น้ำยาคู่ปอกบัต น, นิ่งบรารตลูกห้ยลัวเอเงินข้มเลี้ยงอย่างเดียวหอน่ากาสิ่งนี้แล้วใบหน้าจึงราสี เพื่อนละเอียดเงินคำนี้พอปั่นมาต่อย่านมูดจากโลูกห่วลบหหางจากโลูกหัวลบก้าวบุตรเราพ่อเถื่อนายสำหรับปีนี้นั้นขอให้เจ้าพรกไว้หอดปีไม่จังไคจ้จหาบุญมาพาลาบิ้งจังบวรี ขอโน้ต่าอุ้มาเม่นน่ยโทสิลุมเยออย่าไปอ้ายเขาเดือยเอาเปิกเกะซมขีคว้าพออย่างน้ำกะใคสันี่ยางดี โชคกระตายเมียลังดจ้า ฝนสีตกมาจนน้ำฝ้านั้นหลบ้าเนั่นเดเมะพ่อสิได้ได้คอยว่าผัวเศร้าผัวเศร้ากับสิพ่อผักข้าผัาไตาและตัวคอยว่านั้ บาทกันไวยนึงกะมันพันสองพอได้ลูกหลายังบ่พ่อสนานลูกขึ้นมากไหมสนานลูกหลาบันนี่จักซื้อเหล่าซื้อยาให้บ้านเรืองพันกินเด็กพวกช้าให้ดอกชาวนาเหลือเฮงสมน้อเส้นซอยบาดเอาแทะผัดเหล้าเบย์นะเต้ยเอ้ยนัว พามาเอ่ยรำควรนชวนในใจข้าน้องคึกผู้รับฟังจนลงเต้นนาลามบ่เป็นอยากลองเตยน้ำเข่าเอยบึงจากเธอนาอยากอายเหลือขาดละเตยแก้งแก่ควันพามาหลุดใส่ตีนนาเสียใจเด้ พ, พ, พื้นท้าเส้นส้ำดินไงย่อนลมหนกัจกจะเข้าหูเข้าตาเข้าน้ำปากน้ำดังฝนเต็มบอกจนดานละอาสัจันเพื้นเลือยงพาสั่งบางอามโซพาแเฮเดว่าอยากสงหนุง เอาจังสี่สะเป็นยังที่ลาวัดเออเอาจังไดเม่มันมีมันถูกมันอยากแต่อียอมันก็ยังบวดลูกสองคนบรเห็นมันเสียจักบาทไปอยู่วัดพงซะเมวาลูกเราปวดเป็นเน่นปวดปวดฟี่ิเมะปวดเป็นเน่นเอาเมวาบริสียงนั้นจะปวดเป็นเนื่นจังดเมื่ลูกจากบวดพระได้เมื่อตอนนี้ยากปวดพระเม่นตัวเมื่อวดพระเกษตรเมื่ไปหาใส่โนลูกราเลยมาเติมใส่โอ Wat Sanak b o s o n ดวงสตาโอ้ยหากบ่ช่วยอีกบุญกินจังมินมอนนะ่ะเหลือใจเด้เหลือแหงเพียนนอเลียงม่อนมาอยากนุงสงแพ้มบาบเอาไปเอามาม่อนผัดมียันเป็นไปบ่ห่วงม่อนที่เหลืองเต็มนะ่ะขากล้เด้อสงค้ำหัอ อ, อกหัวใจดโนงผัดลมล้อมเขาทุฟ้าหน้าขวากาม้อนตไลายใส่กามอมอดเมียนอีกหลังหน้ากระดังกันเน่จมแต่เพียงขันสำนานจึงว่าต่อผู้มารดาน้าตาราขาเพียง บ่อยากไล้คนเห็นแต่จ้ำน่เป็นยิงเอ้ยวอนวิ่งม่านดาทยว่าแม่เอ้ยปวดเห็นใจที่ลา้อยปวดตั้งตา แม่ก็เห็นลูกเห็นใจอยู่ดีล่ะลูกล่ะเต็มตัวใจลูกล่ให้แม่หาเงินบ่มีให้แม่ขู่ถึงเป็นนี่ให้แม่ยอมนาเดี๋ยวนี้นั่นใจลูกน้อมเยียงเขาฝ่ายข้องขันอานให้สงสารทเทววัดผู้ลูกชายเน่เดือดร้วนน่ะ อยากแทนพระคุณแก้วต้นบิดาผู้ใบ้หวังหรือขันแมงอีกชิ้พลโอ้ยปวดหัวทิ่ส่วนกุศลเนี่ยไปนำสวน พู้พ่อนั้นให้เนาสันเดิมนะเทบวิมานนั่นล้นหัยิเมเออ สงสารนาสงสารดังสงสารปากสงสารตามองกองทั้งสองเบื้องปากบาเป็ีนในท่อแมลูกจากบวช ห, หลายหลายเป็มนี้เป็นสินผู้ใดกลไปยืมมาหลดมเมลูกจากบวชแ ล, ะละแ้วล่ะเมโล สั่เาๆจังสันนรกลาที่ระบาดเลยเจ้าสิบังคับให้ไก่ผูกออกไข่หรือสีไวบังคับให้เหตุเป็นอูแองกระทางโบเป็นไดแม่จนใจเสื้อเทท่างแก่เบะแต่มืออยู่เป่าๆตนของแม่อยากซอยเจ้าแต่อืดมองปองสีไข่ขั้นสิตันมือตัดตีนแม่ไปไข่ได้ผ่าได้เพศแม่กระสิยอมดอกลูกลาเมียเบาจังสันติเมี เมย์บอดาอีลีติเมย์หาท่านใดก็บอด้อีลีติเมย์มเศรษฐีโทษพู้เดียวตอนนั้นละลูกลาเอ้ยสีซอยเข้าใดเหตุจังดเพิ่นกัไปเรวไวัเพิ่นกับบดอยเข้าเหยียดจังใดท่านจังสันเข้าไปหาเพิ่นอีกเถินหนึ่งบไดาติเมยบบบบไปเมจากไอเพิ่นเมบไปยูนีละทุกกะยูนีห่างกะยูนีจนมาเฮาในตอนนี้ เก้าถ e ึงตนเศรษฐีทานภูมิงอนหลายสิบโกดโหลดเบิดบาดเบียนสมบัติสางนอกมังบุน เออเดี๋ยวนี้เกิดว่าบนพ่อปานต้นถืดควายสามกับควายอึดวังตมวสิสุกนอนเวลาหวอนเน่นะหัวสลอนฝูงหัวจรองมองอาคนสิปวดปอยเดี๋ยวนี้นั่งรอคอยเทระบาดโพรดจางจนผิวตึงตึงบ่อโพวายนะหวังอาศัยเทายาพัวไปเลี้ยง้อยแน่ย จากวันแล้วพันเป็นตาแดงบอกว่าไปเพราะมีแรนงะหวังวใส่ใสุมลูกจางต่าง ม, มีงานจิตการาอื่น หากตุนเองเสียอ้อมเผืือนปล่อยฝุ s. <S ้งหัวไปเรียงนั้นยันเสียชั้นเผาเศษเทียนจึงรีบกลับมาเบ้าเจ้ลูกกลางเกาตามเอาตัวไปปล่อยหัวที่ผมียกจิ้วทอนอออคาเรียงรีบทําเสียงแบบขึงกามเบ้าชนิดบอโซพางปั่นผีบ้าเกิดบจ็บป่วย ตาม<ส>ามียของคุณน้วยตามคนมีเบิดยูฟฟตีสีนาสัญญาบ้านนาห้องเสียงด้งจึนท่วบ้านบ่ยานหักหูพายนะว่าจังด้อยที่ระบัดบอกให้ไว้เป็นอย่างสามหัวเบิดฝุ่งพ่อมิวยาพัดติพินมาไปป่อย ให้ข้อยหอดชาติปุนเลือบาให้บาปบารันละดาหลวงหาผีอ้อน้ลว แม่สาวนี่สาวนี่มันยังไปกั้ไนบนไที่เ้าว้าอันเดี๋ยวหืออันเรื่องบวชนั่นไม่หือแม่มันดอกก็หักตหาวันเอเทเฝ้าบอกลูกเจ้าไปปล่อยง่ยข่เป็นยังเีนี่เ้ายังกันกรกกรดเดี๋ยนี่นพอเศรษฐีอันปล่อะใจใจแต่ตนท่าว่าบอไปเดชเจ้ากระิไปเลี้ยงไปปล่อยนี่กระค้งไว้เห็นบวตุโงงกับยา่เวียงเลยบเห็นมันตายเอาาเียงให้กินอยู่เบิดปีบหนมันตายได้ละง้วค้วยกได พอเศรษฐีครับเพื่อให้กินก็แเล้วตัวพอเศรษฐีอื่นอย่างอีกจะคิดต่อทอพอเศรษฐีม <hockey> ือใดตนผมนั่นบอดีบวชบวมีทางจ้างเลี่ยงสร้างกระบบสนจ้างเลี่ยงยังกรตามแล้วให้ไปหาคนใหม่ซะตายครับหาต่ำเงยอื่นนี่สิไม่ขี่พ่อกองยุบอะไรไปจ้างย่ยย่องแห่งกระลังเสียนเลี่ยงก่อนใบเล่งปุ๋ยคอกเสีใส่ทัวอินข้านี่มึงดู เด้ยออกพันศาเนี่ก็เสด็จกิเงินแหลแห้งไหลซิมันซิวตายเบิดตบอกคนก็ขี่ก็ขี่เอารถเลยเจ้าขี่คุณเสด็จจกกองเนาะหาเบาเทสวยไต่ห้ามไม่ใ้นอเมีนอว่าจังไดก็อยากบวชรติบวชแล้วไม่ได้ยังขึ้นมักเมือกบวชแต่อยากได้หยาบวชน่ะนะได้ยังกรบย่าสอเถาะอันฟังแต่ขีข้านขีข้านไปเลี้ยงง่วรถเดเนี่เอาละเอาละแค่อยากบวชอิรนันเทาสซอยเป็นพระละแต่ว่า แต่ว่าจังไดพอเศรษฐีห้ามบวชภาคเกินเจ็วันบวชแล้วเฝ้าบวชเฝ้าศึกเอามาเรียงง้วยคอยได้บ่โออันเฝ้าจังเฝ้านี่ขั้นว่าสั้นสิให้บวชนี่ก็คือบวชแต่ว่าบวชให้เกินเจ็ดมือไ่เจ็มือสิสอยเป็นพระละไงตัวโอขั้นจังสั้นขั้นว่าพอเศรษฐีสิเป็นเจ้าภาพบวชให้เจ็ดมือ ลูกกระบายจังได้ดอกแมีเอ้ยลูกกรสิตกลองเท่านันตัวแมีว่าตะลูกได้บวชดอกสมื่สี่หมื่ลูกก็เอาดอกเมเอ้ย7หมื่แห้งคักรอยเป็นพระนั่นเท่าไหร่ยืมเงินเด๊ฟังดีๆกกอนเด้อเน่าฟัดีใจเด๊ะบริบบาพื้นเด้บริบบอหายฟี่ให้ยืมให้ยืมเละนี่เก้ากระลมานั่นซอยเป็นพระลานั่นเท่าไหยืมเงินอันเก้าสมื่กสามเมนบอ กันเก้าสมืนกระสาให้อียืมอีกสองหมืนทางคำเกินเจ็วันไดเอาน้าหน่อยเอาใบหน้ามาจำใบเด้อสองเนไลอยู่ขัเงินั่นเป็นน้อยน้อเอาจังใดก็เอาเนพอเอ้ยเอาใบหน้าเาไปเอามาเอานี่เงินน่ะไปเอาใบหน้ามาสรุปแล้วเป็นหนีหามืนมันบ่เออหามื่นกระสาปัดปันใดเนาะใส่วิทย์ใส่พลนอปนี้สาพันใส่หนีไปใสหนีมาหลายกว่าเก้าหอยหามื่นมันสิบป็น ล้านปว่าตี๋่อยว่าเพื่อสิ่ดสิ่ S <S ามันกเป็นารแล้วแต่ดอกเมีเอ้ยอขั้นจังสันลูกกะสิบวอดคือวานั่นละเมีเอ้ยเจ็บมือเป็นนีเป็นสินเพิ่งกระย่อมดอกแมีว่าตาลูกได้บวช ด, ดอกเมีเอ้ยอตกลงปองใจลตาลูกลาเมียสีพ้าไปเข่าหนากไปมอเมพัปปชาให้ดังอกตั้งใจเดือลูกลาเดือเมีสิเตรียมอัฐะบริการกองบุญกองบวชให้เดือลูกลาพี่น้องเอ้ยนาสงสันยิ่งหมายเม่หมายย่าลูกใช่สิเข่าบวชมูเขามีพอนากเจ้าหนักเพี้ยนเฝ้าพอผ่าไต นาขึอนไก่ขึอนไก่มีโดนตีเสพงันทั้งบงวานกระมากไหลส่วนยิงหม่นันบมีทั้งเป็นสินเป็นนียืมเงินมาใส่ใจทั้งลูกชายบวชแล้วเจดมือต้องห่างศีลคุณโยมเอที่ระวตดวินปั่นเม้าเหล่าบมีเศร้าทางสวงสงสารแม่เจ็มเจ้าผู้ไหวบุญบวชตนนับแต่มือเกาโดนถึงมือบันพระชาลองมาฟั่งคาจ่าบาที่ศิจ่าบัน ฉันผ si bon no ok so ู้บรรยายเรื่องสีเซ้าลุ่มปงนาทีบ้านบอลนี่ฟังหนากหน่อยตอนนี้ทานนี่มนต์ข้หน่อยเนิ่มนำจวบเมื่อถึงดอกวันมือปราพัดชามเวียนมาหอด ยอดโลกชายนะากำภาโกนหัวแล้วเฝ้าแต่งตงูงนาโปดคือส่วนที่ขาดความเพื่อมักทัวที่ควายกินเดิอนน้องบ่ได้เห็น เสียงองศาญาติขั น, นาอาไข่แก้นางอาศัยเพียงมานดากแก้วคนเดียวเออทำนาเทขันนี้พ อ, อย่างอยู่พอมม้วนมูยญาติพี่น้องคงไหลเต้าดอกซึนดอมนางก้อมแทนอน ก้อมขันซ้อมเบึงพวกสุ้มเขาสั่งมาใครเกินเฮาซ้ำแผนดินกับเถงฟ้าอย่าน้ำตาไหลน้องแกมเนิ่มเลียวโดผู้มารดาผมฝ้าผูกแก้วเมอ่อ สู้ขันใครแข่ว่าคนแม่มีมากิ่งคันเกินฝ่ามากกว่าดินเนิเพื่อนว่าคนของพ่อแม่นี้บ่มีสิ่งอันใดสิ่งเอ ต่อให้เองเอาโลกามาสั่งสาบ่มีเ่าภายได้เอาตนเขาประพาชาพอดีสาต่อผระคุณสองเถื่อตาพ่อกับแม่บังเกิดก่าแทนคุณเขาขานำนน พ่อกับแม่สิลิกมุมจากหน้าโลกตกอบายไปเกิดในเมืองแมนยูแดนสวรรค์ฝาออหางดังาศาสนาพระโคนนบ่มีวันเสื่อมพ่อ พี่ติเกิดแทบตัวลอยโอ้คำสอนพุทธเจ้า โ, โาาพ่อส่งคำเดว่าค่าแพงนั่นละน่าห่าสารทาย เกือบหงศ์สาก้อนเข้าบวชเป็นสงสีอุปชาเผยวาจีพ่อหนักมาขันทั้งนี้ขันมีแม่มาพร้อมาทั้งสองทาง ทั้งสองใให้ตนแม่ถือผ้าใต้ส่วนพ่อนาคถือบาดวบลูกชายกลมดอกทอมกาย แม่ไขขอ้อไนั่งอยู่ข้างซ้ายพ่อ้นั่งทางขวามื อ, อลูกนักขอขออา้ามาสศีดแม่ยืนใต้จีวรผางส่วนบิดาของหนักนอนย่อปัดตัวมอบัดยืน ละวัดนาบ่สิ้น่อนเฮามีเพียงแม่คำอีกทั้งสัมผัสทุกเลือเมื่อคุณแม่ยืนบาทภัยเอกไตพรจีวอนเพื่อนกนน้ำตาลงในขคอกางใน เทพเป็นบใบน้อยน้ำตาน้องห้ำแกมเลี้ยเลียวดูโพมันดาน้ำตาย่อยกระโดยดังโอ้ยโอประชาบอกกับหลังหันนามา จะสักษาคันทั้งกรรมภาปทานนาที่ลาวัดบอวตนันสิ่งความโศกทนไบื่ฟัวลงไป บนตาพ่แม่ตุ่นแล้วย้มย่อยแม่ข้างอยลงมกมหลังลูกชายน้ำตาลังเอาสอกมือขันรูปหลังของลูกชายนากัมภาบวชด้วลาแม่สังคำมือนาง สิ่งใดลูกได้ลวงลำแม่ั้นโยกอหอสียบ่อยมีราขี้แต่จางได้ขันทั้งสี้นหยินมันดาพิรจาวตื่นตันใจโอ้เเหลือสิเอโอ้ดวงจิตพ่อแม่เอ้ ให้อภัยแกลูกน้อยเสมอต้นดังว่าแลปายนั่นล่ะนาพูอ ดอกฟังียนิเน่ได้ฟังคำดอกลูกอื่นนามตาลังลิลลายเงนเมื่อปลาบลกางดลวบ สิบวดเป็นสงจงอาโหสิกรรมหาลูกหลงเกินลวงบุญทั้งปวงที่โลกทรงเพื่นผาเป็นภาระเพื่อพ่อแม่ให้บุญดึงความแก่ทั้งสองเขือพ่อแม่เท่าให้เมื่อฝ่าโซสวรรค์เด้อแมลูกสิบวดแล้วเดินเมะให้อภัยลูกทุกสิ่งทุกอย่างลูกได้ผิดไปลูกกะขอโทษขออภัยเด้อเมอโหสิกรรมไม่ลูกเด้อเมลูสนเอภัุอ Seni r า t e มีพ a n a b ด mi p ม bidah, ba mi po k a y ม dong m e m i n s <laughs> i o n i po h k ที่ใต้หมอนเียนเดือนจะเห็งคิดเทลล้วงแม่อึงบ่มีพ่ออย่าตื่นเต้นแม่เป็นพ่อและมันได้รับอาสาด้วยคำมาแท้ไจเพื่อ เือสร้างดอกสืบศิลาเย็นดีลายมันดาเม่นางสั่งอตาเลลูกขันนากอยูวนวลเสียใจดีอดเทปีดรกพ่อของนากตายก่อนเทมานดาเลียงดอกพิมพี โอ้ยคิดไปมาเกิดมาบุญระเครื่องบลลอุบวชของบุตรตามเนี่ยเป็ียนอีสิรพวงปชัชฌาเมเล น, นหาเจิมน้ำมา น, น า, นบบาน้วยเนี่ยใจบอบบานอดทนลา เืน้ำใจอ้ให้สวดสิเสียงสะอึกทั้งใจมันดาดงขปี้งกาตทางใจเดินนากรรมฐานผู้มีเมีเพียงคนเดียว เดินทางเดียวทางน้ำจงใส่ใจให้ใส่เถียงเรื่องสิทธิขลางอีกเจ็ดวันสิถือเลยเจ้านันยาเสียใจหากเจ้านันอยู่ใดเมียม่อมห้ยหัวทีนาบัวสาด คผู้เกินขาดรกอเนี่ยวาอยากดไปสิ่งบดีเข้ามาเกบวเข้าไปอย่ามัวคาจวงวัดถกกเสื สินกองเหี่ยวขอกำเกลวยทองเทียวเจ้าอย่าคิดดเดียวใว้เพียงควมสันจานเยืดอข้าสานพระสัมมาพระพุทธองค์พันตัดไว้เถองจังได้ดีดลทำอย่าลืมข้าวส้นหางขันน้ำตื้อวิญญา ลูกบอลืมดอกเมล์ลูกบอดไปแล้วลูกสิวทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ยิพอดอกเมล์บอต้องเป็นห่วงดอกลูกเมล์ให้สมแล้วคันตั้งต่อเอินสังขางก้อนสิมวยในเดอลามะ ลาอุปชาพันธายูบวชไปสู้แลคกคำพยุ่งสึ่งศาสนาตังอกตั้งใจหรือลูกลาลูกสิตังอกตั้งใจดาราเมย หลังจากนาคัมพาและม่านดาได้โศกสั่นต่อกันเละพระอุปราชและพระสงฆ์ทัง้งพวงกระทำพิธีอุปสมบทให้แกนากทั้งหลายโดยสมบูรณ์ก็มีหน้าการะครั้งนั้นบัดนี้หันมาฟังทั้งกรรมเศรษฐีเพญจ่าโตร่อบฟังหรือโยมพ่อรอบฟังหรือโยมเมศเศรษฐีท่านหอดเจ็วันทวนเลวสิจาเวาหัวาจังไดนิมนต์กนธาตนเศรษฐีบัดนี้ขอกล่าวถึงท่านเศษรเเศษฐีอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้ถึงเจ็ดวันที่ลูกชายของยายเสวนีได้บวชเป็นพระเราผู้เสียสละให้ยืมเงินตั้งสาม0 0ื่นรูปีเพราะมีความหวังที่จะให้ธีรวัตรเป็นเลี้ยงงวฝุงตราบนานเท่านานคันถึงวันที่กำหนดหมายพระลูกชายของแม่เสวนีก็ไม่ยอมลาศึกขาจึงมุ่งหน้าไปสุบ้านของแม่เสวนีเอ่ยว่าจี้ทวงบุญคุณขึ้ น, นว่าไหว ยหญ่ชน <Smile>, ีชนีเ <not S 2> tamam ้ยือวาสดีจังไรเสาวานีเอาติเบ่งไปเบ่งมาแบบคือชนีหนิเนาะสื่อเหรินสื่อวานางได้ล่ะเอาติซอยนางหรือเ่าเมน ปันได้เจ้าเสียพระลูกไส้ละราศึกขาออกมาเรียงง้วยข่อยมันเกินนัดหมายแล้วเดยนี้มันกลายเจ็ดหมื่นเหล่าน้แบบนี้มันบอมแมนเบี้ยวกับเป็นบาการบิดตัวคิดหน้าตีสามมืนลูปปีนะมันหน่อยหรือหลจาวานหรอฮึโอ้ยข่อยกวามันหลอยู่ละพอเศรษฐีเอ้ยแต่ว่าเมื่อวานนี่ข่อยไปจังหัน พระใหม่พระก็บอกว่าให้ขออยู่อีกจากพันสาพนาพนาหลวงพ่อเสิ็จีอนุโมทนาทบอสมชิเจ็มื่นสิพันสาหนึ่งจังไดพันสาหนึ่งมาตั้งสามเดือนบุนเดอร์เจ็มื่นเนาะว่าเจ็ดมื้เจ็มื่อยังสมาิกสามเดือนสาเดือนอี้ยังอีก เอาเพลินขออยู่ไปอีกจักหน่อยเป็นบาได้เดือหนึ่งก็เอาพ่อได้ศึกษาพระธรรมวีน่าพอได้เรียนรู้อันนันอันนี้นี่เป็นาตเจมือนันยงทองสัพีก็บรทันใดพนาพระนายาพอเศรษฐีปึกกับเบสันตัวเขาบวชมือเดียวเขายังทองได้เนาะตั้งโต๊ะบุญทอผู้คาวาซาบุญนี้อย่างค่ะนี่ บุญนี้บวชลูกใช่เนี่แหละบุญบวชดันพระที่ละวัดเจ้าก็ได้คือกันละกองเครื่องของบุญของบวชก็อยู่น้าเจ้าเบิดพอเศรษฐีเอออันที่บุญวมื่อนั้นมันไปเรียงง้วไดบ่เอ้าฮะมันกินใดดังเข่าหรือล่องว่าวเบงกอนาขั้นบวชึกก็บอได้เป็นยังเลอแต่ว่าบอกพระลูกชายจะนัดไปเรียกง้วยคอยจนครบจบนีนะสามหมื่นลูกปีกระพ่อเออคอยซื้อขั้นบวชแพ้อยออกไปวัดนี่ระวังไหวจะดีเจ้าหน้ากันอันพอเส่น่าสองเล สองไฮพ่อสองไร่มาบุญอีกก็ไดพออยู่ดอกเอาจังสีซาพอเศถียเอาจังไรอีกวันนี้อันว่ต้องให้ผ้าไมเพ่นสือดอกคอยสีไปเลียงงอก็ะไดดอกคอยคยเลียงยูบ่อไรบ่อไรตัวมันเป็นอย่างสีบ่ไรคอยค่ยเลียงยูมันบ่ตายดอกน้มันเป็นกฏระเบียบของบ้านคอเลียงจังไดผู้เลียงง้อยคอยนั่นลวนเตะ้นใช้ได้ล่ะเจสโซขวดตระกูลมาบ่เคยมีผู้ยิ่งเลียงพี่ผาคอยลบไปว่าหาลูกไส่เจ้าเดี๋ยวนี้อเด้อว่าจังไรเสียไปเดีว่าไปเหอ อยอย่าไปถอพ่อเศรษฐีเอ้ยอย่าไปกวนพาควนเจ้าบังคับในพาเพิ่นซื้อดอกเพิ่นบาม้านสิบ็นบาปกินหัวเจ้าสิบ็นเว้นเป็นกรมเจ้าหูจักบ่าวอีหยังก็เบ่านับข่อยนี่กระได้ตัวพ่อเศรษฐีเนี่ยฟังคาลมคนมีนางทั้งหูตาปากจะูม หรือคนสุขเลิศล่นเต็มไปด้วยเกียรติคุณอืออื่นมาคนต่างคนห่างกันไกลเงินเดินดินทางแดนใตสังเปตไปสิหูตางวางคนถูกกับคนรวยเปียบดังควายที่เขาอ้ามอีกฝ่ายนอสำควายตวนนะเปิดประตูทางความแมรหนักสิ่งกันถูกสิ่งยัง กาบ่มีอุนทางสิไรพบได้พอดเห็นโอนดอกเล่ห้อยคำ้มวัานน้ำบ่อยของผู้มากด้วยองินตรายาสิเมือทำให้เมื่อยข้างเลยแล้วเขามันแนวเลกกา ฝากหิ่งซายหิ่งายอย่าฝันสอนบาสิบันอันนาลกกับสวรรค์ไกลกันโค้นละทฟ้าที่สูงเยิงเมนสวรรค์นะเมื่อความฝันวานบ่บังเกิดเป็นพลย้อนควัมจนทงเว้นจังได้เขีนไปตามเรื่องเอะเอ้ยสำเนียงแบบคุณคุณโมโซนยังเต็มที่ ว่าดูก่อนแม่ชนีโอใครบอกเอว่าดูก่อนแม่สวันีหากเรื่องนี้ถึกเจ้าเวียวจำเป็นต้องสิยึดหนาหนาย่าไปเบ้าถอหน้าเรื่องบุญบาปหรือเวรกรรมหนาบุญที่ทอบอกเคยเ็่า่ามันนี่จังใดนั้น บาปที่ทาก็คือการคอยพอเห็นว่าัรนลายตายแล้วสุนสรไล่ทิมตัวคนเฮาชีบางโปลอันบาปบุญ่อยพอเสื้อร้อยทอคอยทำตามคอย c h a n quan a m h a vi con l u ใหญชะนี้เอาสเนเจ้าไหนเสวันนี้เสวันนี้เจ้าสัวูลเห็นว่านาคอยดากระไรคยปิดปากเนาะพะลืมนนาเจ้าคือสเน่เนาะจะสิท่านนี่ย่อยได้ใจห้ปล่อยแสงไปลายได้ภาคคอยไปหาพาลูกชายอยู่วัดบาเดียวนีิไปหรือว่าไปเดียวนี้ โอยอย่าไปถอนพอเศรษฐีเอ้ยด้วยประคุณที่กาะเกลืองให้พระอยู่จักพันศาศาสีมะอนาคตสีหูเฮืองดังเพี้ยจ่าเด๋ย์อย่าไปกวนพระก็อย่าไปกวนผาเหลืองผาพระสงสีให้มองมนโพดสงสารดูโตนผาผู้บัวผาภูลูกกำผามั่ดาใหม่พอบ่มีพอเศรษฐีเพิ่นว่าบังคับพระสงฆ์องค์เจ้าให้ซืขาลากเกตมันสิเป็นปาปังอนาคขิอีบาปิแล่นตื่นอย่าไปกวนมองมนพอเศรษฐีบ่ไรบ่ไรเอาเจ้าสิฝ้าเอายางไป เพราะนั้นแล้วกับสิเกิดเบี้ยวมันควรบ่อยให้คิดดูเรื่องบาปเรื่องบุญเราต้องมาครูไข่ดอกเมื่อเศรษฐีสินทุตต่อว่าและเช่นนั้นก็พายายสาวนีไปถึงที่วัดแล้วพูดกับพระลูกชายเขานางว่าเอ้าว่าจังใดพระ เอาพระเอ้ยเอาพอเศรษฐีจะไปว่าจังสั้น่าไปว่าจังสั้นมันว้าบ้ถือคอยว่าคลืมเนาะอยว่าพระสงฆ์เจ้าก็เอิญเพนบวชไม่กเอิญมอมเมอมคราบตัวเนาะกรเอิพระพระจังไหร่เจ้าจัไรเนาะเขาไปจะยูซื่อ นั่งอยู่นี่เดี๋ยวคอยเอิญลูกเอิญมาลูกเจ้านี่เอิญมาสี่ซึกแล้วบะซึกมากคอยซึกไห่เนี่ยไม่พูดซึกไห่ก็ได้อันลูกมอมมื้อการเวลาเวัดเหลี่ยวนี่ยเศรษฐีบอกกินหนังว่าวจังใดจังใดก็บอกฟังท่วงสัญญาตั้งแต่เข่าตอนเข่าบวชทรงเมพรพันธเอาไห่ว่าสิไปเลี้ยงแท่นนอนเลี้ยงง้วแท่นสิ่ใดบอกเป็นเศรษฐีขัดขานจ้าตานบาบอย้อมจังสัลาลูกมอมมื้ออองมากหาพอเศรษฐีพเนครม เน่น่าเมื่อนั้นว่ากาพิษโน้อยหรือสงสีผู้มมใหม่ผัมเรียนทองพระิีในกดละเบียบละเบียบเบื้อง ให้จากโหดอกความทางนายิ่นคำจาเอ้ยอ่างของญยาพอโย้มเศษยทีผู้มีน้ำว่าสินทุมาไหลเลี้ยงขันยังเบียงน่ะไมให้เรือพระธรรมเจ้านั้นดับปางลงในวังขีกวังที่ลวงเอาเอาให้พอนผืนขาวนั้นดำมองแปดเปือน ยนให้คงไว้ใจโยมนา เสียดายเด็เสียดายเด็กินอมน้ำคนจมว่าความเสียน่ะโยมทวีญยืนโยโยกขึ้นใส่เสียงปเฮียนก้าวฟังเป็นดาวที่เพ่นจ่าสาธุชนทั้งหลายได้ยืนย่องปนุ่มยืนนะโบยากไว้หวนขึ้นข้าเราอาจแผ่บาดแป้วตันหาไม่จีกันเจน่ะตกกะท เพื่าได้ปังตตนไหม่แม่นขวัญบ้านสี่เพี้ยนฝนเถ้าไว้ตนหรือชีวิตขั้นต่อของผดทุแก่หนัผัดมีแนวมาขวางขวางตันทางมักคาท้องที่เดินยงขันเที่ยอออ บ่สมคิดมอบใจแกพระพุทธศาสนา้วยมาสวยแท้เห็ดจังแดน กันความโศกไวยบ่อด้ยาดมีเหตุให้สาบสนเนียนวเป็นเพียงโพธทูชนบ่อแม่นอลหันตาพวกมูขีหน้าศพแทนนนคิดคิดไปขานยิง <Charlotte> ่อโยมบิดาเอ้ยน้องผู้มอเมียนอีกชีโปนโอ้ยยังบ่อใดส่วนกุศลเนี่นัน เต็มเม็ดน้วยดังตั้งว้ผัดมาใหม่ส้ำขีดเ้นหนา โยมสิทธิ์ที่สำหรับอาตามานีู้หขำนัดอีกห้าปารก่อนสิมาณวัดบวชเป็นทรงองค์เชยโยมสิทธิโ ย, ยมให้ยิบยืมซึ่งเงินตาใส่อือว่าเป็นมหาคนเครื่องอาถรรจังมีพรดอมดและมีการสัญญาไว้อีกเจ็ดวันก็ให้ตา เดี๋ยวนี้นาฮานาฮิตความทรงเงินยังบอทันได้แจ้งข่าวขออยู่จากขขาโนสวาโคพ่อให้ห่วงนาตอนพระธรรมนันละนาญุมพ่อโอ้ย เศรษฐีเอ้ยอตาตมาข อ, อยุกไปก่นทนาพันาหนึ่งศิลาศิล์นพ่อหูจักข้องถําแจมขาวสิขึ้นคงอย่าเห็ดบาปเห็ดเวนท้อยม่อพอเศรษฐีเอ้ยไรพระไรเจ้าซึกมันเป็นบาปเลยม่มพอเอ้ยผูกนี่เนาะวัะตถสั่งเส่อ่างแต่แบบอตตเวนแต่เฮ้แม่ก็ว่าจังสี่ลูกก็ะบอจังสันคือกันเกี่ยงออยหอย เมนบาปกำนันมมนคือกับหอกน้อยนั่งเกียนห้างสูบยามาหยุติขั้นบ่าสึกกับบ๊อไปยังเด๊บ๊ได้เายังแต่ว่ามืออื่นไปเลี้ยงง่วยไข่ด้วยสีไปเลี้ยงได้จังได้ย่มพอเอ้ยเพิ่นว่าอุปัชาเพิ่นบอกไปข้างว่าบวชก็คือตัด อาตมาถือข้องขัดสีเดียงงัวจังใดได้เ่านี่เหศจังสันมันก็อาบัตสันตัวโยมพอเสียทีอาบัตอาเบยังก็บปรจักทั้งสิ้นล่ะขั้นบอกไปกับเพนอาวาหน้าทิตจำนอนไว้นั่นขาดสิท่านที่ขันอยากบวชพรยุจังสีก็ตามทอนกี่ขัานฟังคอยไปละบวชโลดไปเรี่ยงง้วยคอยมืออื่นดอ โอ้ยมันเหลี่ยงบ่อใดกันยังวะพอเอ้ยข่าอย่างเหลี่ยงบ่อดพันสันกับเมื่อนซะเด้อยมพอเอ้ยขออยู่จักพันศาหนึ่งสะกก่อนให้มีอายูวันนสุขาพราเด้อยมพอเด้อม่อมเลยว่าจะได้ยมเมะเมสิอยู่ไปจากพันศาหรือสองพันศาเมกะบัวให้หน้าตาตเมกะสิยมให้เพิ่นยึดกับยึดโลดแหวบหัวดอกลูกกา เมร์มอมเมรดันยมเมรละากับกูเด้อมอมเด้อไปสยุมแมรเอ๋ยอาตมาสิเพี้ยนสูดูดันฟั่นฟ้าเพื่อแทนคุณนนมบิดาอีกกับยมเมรเจ้าที่เพี้ยนเลียงจนใหญ่มากเมื่อพิสูตรธีรวัฒโนผ่านพ้นอุปสรรคเช่นนั้นแล้วก็ตั้งมั่นศึกษาอยู่ด้วยความสุขขาสำราญใจก็มีหนกาละครั้งนานบัดนี้จะขอกล่าวถึงเศรษฐีสินทุอีกครั้งหนึ่งเขาได้ถึงความหายนะในการต่อมา ไม่รู้สาเป็นเพราะเหตุใดพวกท้าใช้ก็ต่างก็พากันหนีหายบรรดาศึสษาก็ได้ล้มตายหมดทุกตัวภรรยาก็ไปมีผัวใหม่ไฟก็ไหม้ขรือหาดหมดทั้งหลังทรัพย์สินที่ฝังเอาไว้ในดินก็จำที่ไม่ได้ยากไร้ทันตาเห็นปากนั้นก็เบี้ยวนึกอย่างเดียวคือกรรมที่ไล่พระธิรวัตรศึกเมื่อนึกได้เชนั้นก็กลับคืนไปสู่วัดวา เห็นโยมบรรดาของพระธิรว oh, ัตรที่มึงชื่อว่าเมเสาวณีนั่งคุยกับพระลูกชายพอดีจึงพูดว่าโอ้ยมอมเฮยมอมเสียทีไปจังไดรมากจังไรคือปากีกินข้ือยังําไยเป็นเสถีบรบดาเป็นเค้งเทกเสกคนกาตายก็นหนีหายเมื่อคุยกับตายเบิดไปก็ไหม่ก็ะลือหัดเนี่ยกับบังอาจไปมีผัวใหม่ เงินค้ำฟังใบกระจำตีบดายม่อมเอยกโทษในพ่อเนแม่นี่ก็คุกเกินแบบนี่ดีบุญมีลียกโทษในพ่อเนื้อหมอมดอันไปเฮื่อนวังกี้นกับมาในปากเบี้ยวละตียองพอเสียทีเราเนี่ยกระเบี่ยวตมันหอดบดบาดเบี้ยวเนาะก็เฮ็ดเอาในสันกระเฮ็ดเอากระเบี่ยวตัวือยังว่าบดมเมันเบี้ยวอาตมานีบดาใส่โทษอันใดตัว กำติดตัวย่ ม, ม่าแต่ฉาิหลังปางกีฬะย่มพอเสถียรธรรมนิบริษัยกำส่เวีนอย่างดอก โอ้ยป่างกีป่างหอยทั้งไหนบ่มีดอกเม่นกรรประชชาตินี่ล่ะตงอย่างแนนอนยกให้มให้ายกโทษในพอนี่โทษมอมม้อยเมสาวานี่คือขึ้นกันเมสสวานี่เออคอยก็อยู่นี่ละฟังอยู่คอยแลเจ้าบ่มีโทษยังกันดอกพ่อเศรษฐีมันเป็นแต่บุญแต่กุศลยกโทษให้เ่อวินยมพ่อเศรษฐีเฮ้ยบ่ต้องเอนเศรษฐีถกันยังว่าจะเอินเศรษฐีนี่ล่ะึเศษ์คนเบิงสาเดอร์แมนี่เอ้ยหน้าหน่อยทงนันเจ้าเอาขึ้นไปซักคอยไปเอาดอกหินแห่มันะ ลอยโพดคอยบอกเอาดอกพ่อเศรษฐีเอ้ยเอาไปต่างหางทางมีสาคอยบอกเอาดอกพ่อสิบวดซี่น้ำลูนะพ่อสิบวดซี่เอาซึ่งในรถประถ้ำปั่นนั้นขอประทุกวิญญาขอประบุญพละสางสา น, นี่มันบ่ลายเออจะมันจังถูกจังย่าผูกขาดสเนี่ยจวบกำเวนต้อง สิ่งยักในสิ่งขนองเตือนเล็บดันพนงไก่แก้วกะลวงหลุดไปเพระาะเลือหงจกเจ๊ชินอีกคนนั่นกะล้นหายห น, นะเดี๋ยวนี้น้ำพย า, ายาคายเลือแพ่งแค่อาติตั์ต่างนะน้ำตาพางลิน้นทุก สัมมาภูเดือนกอดจมลําพันในความซาวาบาอาเมียของเขาและกล่นสัวผัวไม้ ไม่เงินในบ้านสัตว์สารก็เล่าตายนาผัวคนขาทาดใยต่างไล่ลาปานี่นาอ่อเสร็จที่เขาจาเหลือแค่เพียงสิทธิคนอันที่ยังเหลือข้างนาฟังเงินคำมาใบบ่าวมาบองดีจำบ่ได้ขาดความจืิง มือกะสันพอเมือข้ากับเปากกปาเบี้ยวท้งสั่กะพองฟังขอย็นปากเ<า>บี้ยวขอยืนเพื่นได้อีกบ่ ย่มเมื่อคันทัดมาเมืองนรกคงกถามมาหนานามาโหสิกรรมสับเนึกเพลิดผสมแมงอยังจังแมงอยังจังแปลเมื่อสุดเนวเอาให้นัวบอมเอ้ยบอมไม่พอค่อยแม่เสาเอ้ยยกตัวบาง จจองเบื้อมาจองเวลน่ะตหากาสจากเว้กันยกโทษตโหเสียนะคงเป็นผีไว้หมดหัวแต่ขังตั้งจดเจีนเนน่ะดินเอโนอของหูอาสูบลงไปอาเบจีนารกคอนจังตันเน้อ ปวดคุณมอมเลยยุบเมสุสันเพ่อแน่ทษดเ่าอย่าไม่ขายเท่าตายนะเดี๋ยวนี้มาพยากร เสกสวมใสซึ่งบางเียนนเสียนติคุยวัโตูดถึกจอมเสียนนั้นเยียบเสียงป่เก่งกังโบ้หน่อยพลอยเคยมีละคาเยี่ยมได้กับกายเป็นหินเอ้ บบปอย่างอื่นนั t t ้นเมล่อมองใบโตคอยอย่าปล่อยําให้ตืมนหนามแม่นะมอมเอ้ยมอมพอนี่พอนี่เออพูดที่พอลวงลา รำสาตแทสีเหลืองใหญ่เขื่อนคำเิดยกเสด็จพระคุณจ้อันซอยคุณเนาให้หายสร้างจงผู้วอมตาฟ้าใสทางช่วยเธเดิม สรุ ป, รปเอ้ยส oh so so uh ังหอมย้อมรับผิดแล้ว oh ล่ะว่าเม่น oh ีเอ้ยเจ้าขาข้ามาถอนนะแบบโอ้โ oh อ้โ oh อ้โอ้โ oh อ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้ ควาลพิ grammar, autistic, or, ี่มองโซเซของคนเมามองเก่ากลของคนด่านมองทำด้านเจริญโอ้งูจงอางเอ้ยนู่พวมหอวหอกไม่ไปมองตัวใดก็สั่งเต็นตัวนั้นกะสั่งตาย พอให้คนทั้งใครเดี๋ยวใครของความมีพอกะวิผู้เขียนบทได้แต่งพระประสงค์เสียเม่อันในเนื้มอันใดอุ้มอันใดตุ่มอันในดินแก้วพนที่เหตุเนื้อก่แมลบ้าประสงเถอะก็ได้ให้ไบบุญอยู่บ่สาวนื้ โดยเฉพาสังคาเจ้ายัางให้อนมีราคี สัวสังีดีสังราเพลวามาเตใดแลวเบียดเบียนสรงไอเมงเป้วลือสิหุ่มป้าสีแลงเพิ่นทำสวงกรเเพิ่นทำสวงากรแดงสิไม่เองเพิ่นดอกหน้าอย่าไมยทาสียำย้มเนี่เออในวารุโอกาสตอนนี้ฟังสีแจงของคนหนาน่ยเออ ในโอกาสตอนนี้ฟังสิเจงของมันนาที่คนจ า, ย, ายสาวานีผู้ลูกชายนับเป็นานายเสษ็จตาณมวาวุ้งขอกรรมาอาปากัยที่เกิดลวงเกิเลยหาหัวนังยามยามาพึอกรรมองเม่นจองวิน หากสิจาาก้าวหนึนโยกโทษพอลองสิเมื่อเห็นมีอันใดเลืยที่ท่านทำให้ลิวรายผวนเมาโยดหมอกลืมตายคนเมากายมาลืมเท่าเมาสมบันเงินทองมากวดอ่างคมผู้เอืลมาจรมะจังคอยเตือนแต่กลับลับหูนอนผูกอานบ่หิน เพราะว่าเลวจึงก้าวเนินจากต่อทังบุพเพอมามนับว่ามีประคุณย่างมหันต์อันตื่ฉันมองดู้ดอกกุศลถามมาดาสบายสาและขอแผ่เมตตาก่อนสิบัวในเทนีต้นทานจ่ว บ่วยมองคนรวยสารภาพบนตาประทับแต่จนเอังละโทอมน่ะ บ่คิดเลยว่าอมสิเคยทรงกินหัวยอมอมฮันนะสิเป็นจอมอุตะเพดดอกบานหมินในคุเวีนแมนฮั่ะเคยอยู่เย็นกายเป็นหอนเสื้อเคยนอนจัดนุนเอีมกายไปเป็ดนมแข้งรัสมีเคยใช้แสงที่เจิดจ้าถื้มวนฟ้า ดอกเรียมงามนะเข้าเมื่อเปลี่ยนผู้เลยทำข้อยดีจำคนจนคอยนะบาดเจ้าของกาดเขี้ยจังในลงไล่อ่อนแโสสิพันละน่าอ้างประจานตนหลดมากนี้ จยนทองเพชรพอกเอะป้อนแตงให้เดือดล่อนเหลือเพียงป่าที eh, yeah. so um, there, you you so ่ห like ้องกายนะเออเอาละดีแลยหายขอยอมหลับดุษณีปติยังทั้งมวลขอประเห้ามันมายอนะคพว่าต้นนันวินได้กับโผบินยังสูงโดงบาดผีขากหัวปากลง จังหูวัานี่บ่หมุนขดินได้ว่าทอใหญ่น่ะเอ๋่บันไดนี่ขอฝากไปผู้น่าใหญ่ย้อนเงินทองยาจ้องห้องถนนโต้ในเบ้งค้นผู้จนบางเอ๋ะเอ๋ให้ลงบางมือกว่างเห็นบัวควายยาเย็บยำ บึงนองขาดแหงสิลงโอขดเอาอาหับุญและบาปนั้นนองจำเถิดว่ามันมีจริงขิงกะป็นขิงจะได้ล้างป็นกาเอ้ยจะเล็รลอนอุทาหอนในแล้วคุณเคยรวยยังเต็มที่ทอสินโทบเศษตีเป็นเศษคูดที่ปตเปย์ยาวยางแ่ะยางน้ำมัน อ้ยเบ้าไปไอแห้งชอกช้มนำใจครับนับบดโกงอาน่ะขอลาลงเสียเท่เพราะนิทานในจบบ้านลาพยยังฟัน่าตัวเยี่ยมรถทิ้ทิ้งหลงืดบ้า ยิ่งเป็นมา่นศาสนาบาบกำแหงเลนตองปวดจองด้วยอย่าคิดล้อนะเออเอาละน้พี่น้องบั้นขอขอทํากฐาณาขอบกระใจที่ฟังมาจุนว่าจบครบกระบวนไปต้นขอตุกคนจงสดเชิญจะมีบันที่มองมล บุญกุศลของซอยเกลือบรนดาให้เป็นหุ้งเหืองนั่นดอกนาสทธายุอออ Gone, Papa. papa. บัรชาลูบลูบความลุ่งให้จงแจงทะแลงเรื่องให้แจ่มคาวเดือพื้นว่าฝ่าห้องเฮาจาเพื่อเอาว่าโตเดดบางที่แนวน้ำเพชรอาจสิ ป, ปอมบ่มีคาเป็นราราชผูกข้องบ้านนักขแข่งอำนาจบางอาจบ่มีเมืองนงั่งตา ย, ยังขาดพวกพองใเ้สิ โม่บวนนทุกสิ่งอย่างมันบ่หวนหลือเลือดดังเฮาคิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รีลับอาจสิมีอยู่โดยทัวการอวดตัวว่าดีลำบัดเจอคำสิโอาอคิดเบึงหน้าเร็นอยู่ฝ่ายังมีฝ่าเขาเลียมงมนาหยามเจ้าเป็นผู้เลิอดลำยะธาญิจนเกินไปบาดยศศักสูญหายไป ปากหมูขนสิลุ่มเยย์ไม่ส้าวเลยก็ไม่น่าหม่ก็เพิยก็ไม่น่าอีกไม่น้อยก็หม่น่าสิเป็นหงเป็นกาบ่มีพายุคําฟ้าอย่าไม่น่าแม่นห่มกันเนินว่าให้ฟังเพียงสานั้นบ่อยากบันไปหลายบาบ่อยากหักไปหลายมุมบ่อยากฟันไปหลายไม่น่ากํา ผามานดาไมายขยายมาตามเนื้อตอนเอ้ยเป็นภาคคำสอนละครามทำตอบยำว่าคำชั่วเปียบดังไฟนั้ โอ้ยควรชีวิตแสนยากไรยอาจเป็นปาดเมถ่าจานการเดินทางบ่ทั้งสุดขาดลมบันสุดท้ายย่าได้ไมว่าตัวเยี่ยมเห็นคุณจนแล้วหยียบยำบาปไผก็กรรมเผยทเป็นขวางตัวหน่อยต่อยเห็นคุณลมยาโฮแซว หนูบอดท่านได้ถือเขวหนูกระวดว่าหนูไว้บึ่งกันไปดอกคนเฮาจะแยกสักหรือฉันนนะ อีกบ่อนบนบ่อนานพวกเขาก็ตายแล้วห่างกาญาถึกไฟจีต้อยมังต้อยมีเป็นเศรษฐีหรือทุกข์ให้บ่เอาได้จากจีอันนดงผายทาผิดแล้วนัน่นยินยอมรับในความผิดช้ชาบันดิตเพิ่นสันเซินเอินว่าเป็นนอกคนแท้ the, ขอแวลูณตรงนี้จบพ่อดีสิ้นเนื้อคาย เออนี่ท่านเหลืองหัวอกนาคำภาน้ำตาดอกเมล์มาย อ, อาวสานโนเลียปลอยผะวนคอยเนินเสียวอ ที่พระ อ, อัตมาภาพทั้งสามรูปได้ช่วยกันแสดงในบันดีก็พอสมควรแก่กันและเวลาเอวังก็มีด้วยประการาน์อี